สู่นิพพานและอิสรภาพด้วยปัญญาตอนชาญญาณอันเกิดขึ้นจากการเอาความมีตัวตนเข้าไปทำตอนที่สามช า, ญานญาณอันเกิดขึ้นจากการเอาความมีตัวตนเข้าไปทำนี้มันเสื่อมได้ง่ายต้องซ้อมบ่อย ต้องฝึกกรรมฐานจนถึงสมาบัติแบบกรรมฐานมีทั้งหมด40ก่องแยกออกได้เป็น 1,000 ก่องย่อยแต่ละกองใช้คำบริกรรมไม่เหมือนกันใช้การกาหนดจุดไม่เหมือนกันแต่ทุกๆุ ก, ก่องนำพาเข้าสู่กลไกของสมาบัติแบบทั้งหมดในสมาบัติแบบมีรูปสมาบัต หรือรูปประชานและอรูปสมาบัติหรืออรูปประชานต้องไล่ล่องมาตั้งแต่อุ ป, ปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิจนไปถึงรูปประชาน1 2 3 4สองสสระหว่างปลายฌานสเข้าใกล้สู่ฌานสวิชาสารก็เกิดขึ้นแล้ว พอชาสี่ชำนาญแล้ววิชาสา3ก็เกิดขึ้นเต็มที่เลยวิชาสามก็จะมีตาทิพย์หูทิพย์จิตทิพย์ส่วนอภิญยาหกต้องเข้าไปฝึกในส่วนของกระสินอีกทีหนึง่งทีน่นี้การจะฝึกกระสินได้นี้อยู่ดีๆจับกระสินขึ้นมาฝึกไม่ได้นะ ต้องชำนาญในการเข้าออกฌานสีสกอนและไม่ใช่ว่าชำนานในการเข้าออกฌานสีได้อย่างเดียวต้องกระโดดข้ามขั้นได้ด้วยพอเข้าสู่อุปจารสมาธิมาอัปปนาสมาธิไปชัน้นระหว่างนี้จะมีผวังขั้นกลางผวังคืออาการหลงลืมชั่วขณะ หรือหลับในสมาธิเหมือนพวกที่นั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาแล้วตาแดงงวงเงียเหมือนคนเพิ่งตื่นและในพวังมันจะมีอาการปิติตัวเบาตัวโยกตัวคลอนตัวลอยตัวขนาดใหญ่ตัวความคิดมันจะไม่หยุดด้วยเริ่มแรก มันจะคิดแบบตุ้มๆต่ำๆเข้าเรื่องโน้นออกเรื่องนี้เข้าเรื่องโน้นออกเรื่องนี้อนนอออนพอสักพักความคิดมันจะเหมือนลักษณะช้าๆวืดๆเข้ามาอะไรแบบนี้ครับนี่คืออาการของพวังการนั่งสมาธิแล้วไม่ให้ไปตกในพวังต้องให้ลมหายใจ กับคำบริกรรมเริ่มพร้อมๆกันและต้องให้ตลอดลมหายใจเข้าออกจนสุดและอย่าให้คำบริกรรมกับลมหายใจเข้าออกมันเหลื่อมล้ำกันหรือมันโอเวอร์แลนดระหว่างกันไม่งั้นจะตกภวางทันทีต้องให้มันคงเส้นคงวาจบเริ่มเริ่มจบแบบนี้ตลอด มันจึงจะสามารถข้ามอาการของภาวางได้มันจึงจะสามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิไปจนถึงชานหนึ่งสองสส่ด้านในชานหนึ่งพอมีอาการปวดเมื่อยเจ็บคันเวทนาเข้ามาหากเราหลงเข้าไปรับรู้หรือเข้าไปบริกรรม เจ็บหนอเจ็บหนอมันจะตกลงมายังอุปจาระสมาธิทันทีในฌานสองมันจะมีอาการปิติและความคิดจะเริ่มช้าลงเหมือนเป็นเส้นจีดเข้ามาประมาณนี้ครับและหากใครไปติดปิติหรือไปติดในเวทนาอวดเมื่อยเจ็บคันแล้วเข้าไปบริกรรม เจ็บหนอเจ็บหนอมันจะตกลงมาอย่างอุปจาระสมาธิเหมือนเดิมคือมันลดลงมาอีกหนึ่งขั้นเลยในฌานสามคำบริกรรมมันเริ่มหายหากใครหลงเข้าไปทำให้คำบริกรรมมันชัดขึ้นมามันจะตกจากฌานสองลงมาสู่ฌาน1ทันที ในชานสีลมหายใจจะเริ่มแผ่วเบาหากใครตกใจคิดว่าลมหายใจกำลังหมดเพื่อลมหายใจขึ้นมามันจะตกจากชานสีลงมาสู่ชานสองทันทีแล้วพอเราชำนาญชานทั้งสี่แล้วเราต้องไล่ล่องมาตั้งแต่อุปจาระสมาธิ มาจนถึงฌานสีโดยอนุลมปาติลมสสสองหนึ่งหนึ่งสองสสให้ชำนดญชนิดที่ว่าแค่กระพิบตาก็เข้าสู่ฌานสีได้เลย และยังต้องกระโดดข้ามขั้นให้ได้ด้วยจึงจะไปเรียนในส่วนของกระสินได้เช่นจากอุปจารสมาธิไปสู่อัปปนาสมาธิปุ๊บแล้วตั้งฐานไวท้ที่ชาญหนึ่งแล้วดันจากชาญหนึ่งขึ้นสู่ชาญสีแล้วถอยร่นลงมาชาญหนึ่งทาแบบนี้สามสี่รอบ หลังจากนั้นตั้งฐานไวที่ชาญหนึ่งเพื่อเตรียมกระโดดข้ามขั้นเลยชานหนึ่งขึ้นไปสู่ชานสี่ 4, ลงมาชานสองขึ้นไปสู่ชานสิลงมาชา้หนึ่งและขึ้นไปสู่ชานสี่ทำแบบนี้ครับข้ามไปข้ามมาพอกระพิบตาก็ข้ามขั้น ได้เลยจึงจะกสามารถเอาตรงนี้ไปเป็นฐานในการฝึกกะสินได้ที่นี้การจะฝึกกะสินเราจะเลือกฝึกเฉพาะที่เราชอบไม่ได้เราต้องอธิษฐานเชื่อมของเก่าในอดีตชาติด้วยว่าในอดีตชาติเราเคยฝึกกะสินกองไหนมาขอให้ใจรัก ที่จะฝึกกสินกอง น, นั้นเป็นกองแรกถ้าเราไม่อธิษฐานเชื่อมของเก่าในอดีตชาติที่เคยฝึกมาแล้วไปฝึกกองที่ไม่ใช่กองเก่าในอดีตชาติของเราต่อให้ฝึกเป็นสิบสิบปีต่อให้เป็นแก้ประกายพึกก็ไม่สามารถที่จะเอามาเล่นรินได้ พออธิษฐานเชื่อมของเก่าแล้วเราก็เริ่มทวนกระสินทั้งสิบกองเลยเราก็ทวนไปในใจถ้ากระสินกองไหนดีดขึ้นมาก็ฝึกกองนั้นแม้เราจะไม่ชอบแต่กองไหนดีดขึ้นมาก็ให้เริ่มฝึกจากกองนั้นเลยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าฝึกกองแรกที่เป็นของเก่าเราได้ กองอื่นๆก็จะพรึบเลยบางทีสามถึงห้าวินาทีเป็นแก้วประกายพรุกได้เลยดีกว่าฝึกการเป็นเดือนเดือนปีปีหลังจากนั้นเราก็ฝึกกองอื่นๆทั้งหมดให้ได้จนเป็นแก้วประกายพึุเช่นกระสินดินมองดินจนเป็นแก้วประกายพึุดวงกลมๆใสๆ สีชมพูหลับตาก็ต้องเป็นแก้วประกายพลึกลืมตาขึ้นมาก็ยังเป็นแก้วประกายพลึกหลับตาก็ต้องเป็นแก้วประกายพลึกลืมตาขึ้นมาก็ยังเป็นแก้วประกายพลึกไม่ใช่ลืมตาขึ้นมามองเห็นดินเป็นสีดินอยู่แบบนี้ต้องเข้าไปบริกรรมใหม่และการฝึกกสินนี้ ไม่ใช่การเพ่งแต่เป็นการลืมตามองอุคานิมิตที่เป็นองค์กระสินนี้ให้ติ่ตาแล้วลืมตากับหลับตาก็ยังเห็นภาพเดียวกันกระสินดินน้ำลมไฟอากาศห้ากองนี้เอาไว้ฝึกเล่นริ้นเช่น เหเหินเดินอากาศมุดน้ำดำดินหายตัวแบ่งผ้าแยกรางทำของแข็งให้อ่อนทำของอ่อนให้แข็งส่วนกระสินสีอีกห้ากองเอาไว้ฝึกเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนธาตุปรับธาตุเช่นเอาดินเหนียวมาปั้น ปั้นไปปั้นมาเป็นทองปั้นไปปั้นมากลายเป็นเงินกลายเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการที่นี้พอฝึกกสิงทุกกองจนเป็นแก้วประกายพลึกได้แล้วเราต้องเอาแก้วประกายพึกแต่ละองค์แต่ละองค์ขององค์กสิงมาเชื่อมกับองค์ฌานทั้งสี่ก่อน โดยใช้คำบริการของกสิณแล้วไล่ล่องตั้งแต่อุปจารสมาธิไปอัปปนาสมาธิจนถึงฌานสี่ขึ้นไปสุดแล้วถอยร่นลงมาขึ้นไปถอยลงมาจนชำนาญและสามารถกระโดดข้ามขั้นได้ด้วย จนองกระสินและองค์ชาญเป็นเนื้อเดียวกันต้องเป็นเนื้อเดียวกันถึงจะไปเล่นริได้เช่นจะเดินบนน้ำเราต้องใช้กระสินดินจับกระสินดินเป็นแก้เปรากายพลึกได้แล้วไปเชื่อมกับองค์ชาญอุปบจาระสมาธิขึ้นไปอัปปนาสมาธิขึ้นไปชาญสี ถอยลงมาชันขึ้นไปชันสีถอยลงมาชันหนึ่งทำแบบนี้ประมาณสถึงสี่รอบแล้วลงมายังอัปปนาสมาธิแล้วอธิษฐานว่าสาธุข้าพระเจ้าก้าวเท้าไปที่ใดขอให้มีพื้นดินรองรับเท้าของข้าพระจเจ้าเอาไว้ด้วย แล้วขึ้นไปชานสีเต็มระดับพอชานสีเต็มระดับถอยร่นลงมายังอุปจาระสมาธิพร้อมทั้งก้าวเท้าลงน้ำเลยถ้าก้าวเท้าแล้วจมตกน้ำสแสดงว่าองค์กสินและองค์ชานยังไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันต้องฝึกใหม่ เหล่านี้คือฌ า, านยานอันเกิดขึ้นจากการเอาความมีตัวตนเข้าไปทำครับแล้วมันจะเสื่อมได้ง่ายต้องซ้อมบ่อยๆเลิกซ้อมไม่ได้เลยแปบ๊บเดียวก็เสื่อมแล้วล่ะครับ